เสขยะกันว่าด้วยวัดสะกดด้วยต่อเต่ารอเรือแปละว่าข้อปฏิบัติว่าด้วยวัดและจัญญามารยาทที่ภิกษุจะต้องศึกษาต้นเหตุแห่งการบัญญศศัติสิกขาบททุกข้อทั้งเจ็บห้าข้อในเสขิยะกันนี้เนื่องมาแต่ภิกษุฉับ พ, พัก ค, คีคือภิกษุพวกหกทำความไม่ดีไม่งามไว้ทั้งสิ้นในตัวสิกขาบทไม่ได้ปรับอาบัติไว เพียงแต่กล่าวว่าภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในคำอธิบายท้ายสิกขาบทระบุว่าถ้าทำเข้าต้องอาบัตทุกกฎซึ่งแปลว่าทำชั่วพร้อมทั้งแสดงลักษณะที่ไม่ต้องอาบัตไว้ด้วยในที่นี้จะรวบรัดกล่าวเฉพาะตัวสิกขาบทส่วนวัตถุประสงค์ที่บัญญัติสิกขาบทนั้น ตลอดจนคำอธิบายท้ายสิกขาบทข้อใดควรกล่าวไว้ก็จะกล่าวไว้ในวงเล็บซึ่งในที่นี้จะอ่านแบบรวมความไปเลยนะครับอนหนึ่งเมื่อจัดหมวดใหญ่ๆไว้แล้วยังจัดวักไว้คาบเกี่ยวระหว่างหมวดใหญ่ๆอีกด้วยในที่นี้จึงเลือกแสดงไว้แต่หมวดใหญ่เพื่อการความฟั่นเฝือการจัดวักอาจสะดวกในการสวดก็ได้ แต่ในปัจจุบันการสวดปาฏิโมกข์ของพระไม่ได้ระบุวักไว้ด้วยคงออกชื่อแต่หมวดใหญ่ๆสารูปหมวดว่าด้วยความเหมาะสมแก่สมณะเพศมี26สิกขาบททุกสิกขาบทจะมีประโยคขึ้นต้นว่าภิกษุพึพงทำความศึกษาว่าเพื่อเป็นการฟังให้ง่ายขึ้นจึงขอตัดคำขึ้นต้นออกไปนะครับ เพื่อผู้ฟังจะได้ฟังแบบไม่เยินเย้อะนะครับภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักนุ่งให้เป็นปริมณฑลคือเบื้องล่างปิดเขา่าเบื้องบนปิดสะดือไม่ห้อยไปข้างหน้าข้างหลังเราจักห่มให้เป็นปริมณฑลให้ชายผ้าเสมอกันไม่ห้อยไปข้างหน้าข้างหลังเราจะปกปิดกายด้วยดีไปในบ้านคือไม่เปิดกาย เราจักปกปิดกายด้วยดีนั่งในบ้านเราจักสำรวมด้วยดีไปในบ้านคือไม่ขนองมือขนองเท้าเราจักสำรวมด้วยดีนั่งในบ้านเราจักมีตาทอดลงไปในบ้านคือไม่มองไปทางโน้นทางนี้เหมือนจะค้นหาอะไรเราจักมีตาทอดลงนั่งในบ้านเราจะไม่เวิรกผ้าไปในบ้าน คือไม่ยกผ like ้าขึ้นด э ้านเดียวหรือสองด้านเราจะไม่เวิรกผ้านั่งในบ้านเราจะไม่หัวเราะดังไปในบ้านเราจะไม่หัวเราะดังนั่งในบ้านเราจะไม่พูดเสียงดังไปในบ้านเราจะไม่พูดเสียงดังนั่งในบ้านเราจะไม่โครงกายไปในบ้านเราจะไม่โครงกายนั่งในบ้าน เราจะไม่ไกวแขนไปในบ้านเราจะไม่ไกวแขนนั่งในบ้านเราจะไม่สั่นศีรษะไปในบ้านเราจะไม่สั่นศีรษะนั่งในบ้านเราจะไม่เอามือค้ำกายไปในบ้านเราจะไม่เอามือค้ำกายนั่งในบ้านเราจะไม่เอาผ้าคลุมศีรษะไปในบ้านเราจะไม่เอาผ้าคลุมศีรษะนั่งในบ้าน เราจะไม่เดินกระโยงเท้าไปในบ้านเราจะไม่นั่งรัดเข่าในบ้านจบหมวดสารูปยี่สิบหกิกขาบทโภชนะปฏิสังยุตหมวดว่าด้วยการฉันอาหารมีสามสิบสิกขาบทภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะรับบิณฑบาตโดยเคารพ เราจะแลดูแต่ในบาทรับบินทบาทเราจะรับบินทบาทพอสม upgrade, ส่วนกับแกงไม่รับแกงมากเกินไปเราจะรับบินทบาทพอสมเสมอ <PAR ICE. S 1> ขอบปากบาทเราจะชั้นบินทบาทโดยเคารพเราจะแลดูแต่ในบาทชั้นบินทบาทเราจะชั้นบินทบาทไปตามลำดับไม่ขุดให้แหว่งเราจะชั้นบินทบาทพอสมส่วนกับแกง ไม่สั่นแกงมากเกินไปเราจากฉันบินธบาทไม่ขยุ่มแต่ยอดลงไปเราจะไม่เอาข้าวสุกปิดแกงและกลับด้วยหวังจะได้มากเราไม่เจ็บไข้จะไม่ขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันเราจะไม่มองดูบาทของผู้อื่นด้วยคิดจะยกโทษเราจะไม่ทำคําข้าวให้ใหญ่เกินไป เราจะทำคำข้าวให้กลมกลม่อมเราจะไม่อ้าปากในเมื่อคำข้าวยังไม่มาถึงเราจะไม่เอามือทั้งมือใส่ปากในขณะฉันเราจะไม่พูดทั้งที่ปากยังมีคำข้าวเราจะไม่ฉันโยนคำข้าวเข้าปากเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวเราจะไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุย๋ย เราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางเราจะไม่ฉันโปรยมเมล็ดข้าวเราจะไม่ฉันแลบลิ้นเราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันดังซุดซุดเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียบาทสำหรับข้อนี้บาทสมัยนั้นไม่ลึกมากอย่างปัจจุบันแม้ภาชนะใส่ของคล้ายชามก็เรียกว่าบาทจึงสามารถเลียได้ พระวินัยจึงห้ามเลียบาทเราจากไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำเราจะไม่เอาน้ำล้างบาทมีมเมล็ดข้าวเทลงในบ้านธรรมเทศนาปฏิสังยุตต์หมวดว่าด้วยการแสดงธรรมมีสิบหกสิกขาบทภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่มีร่มในมือที่มีไม้พลองในมือที่มีสัตราคือของมีคมในมือที่มีอาวุธคือของสัตว์ไปหรือยิงไปได้ในมือเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่สวมเขียงเท้าคือรองเท้าไม้ที่สวมรองเท้าที่ไปในยานที่อยู่บนที่นอนที่นั่งรัดเข่า ที่โภกศีสษะที่คลุมศีสษะที่นั่งอยู่บนอาสนะอาสนะคือผ้าหรือเครื่องปูนั่งเรานั่งอยู่บนอาสนะต่ำจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่นั่งบนอาสนะสูงเรายืนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่นั่งอยู่เราเดินไปข้างหลังจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่เดินไปข้างหน้า เราเดินไปนอกทางจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่ไปในทางปกินน ก, กะหมวดเบ็ดตะเล็ดมีสามสิกขาบทสิกขาบทที่หนึ่งภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระปัสสาวะสิกขาบทที่สองภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้ จะไม่ถ่ายอุจจระปัสวะหรือบ้วนน้ำลายลงในของเขียวคือพืชพันไม้สิกขาบทที่สภิกษุพึงทาความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข่จะไม่ถ่ายอุจจระปัสวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำธรรมะสำหรับระงับอธิกรณ์เจดอย่างอธิกรณ์หมายถึง สาเหตุคดีเรื่องราวปัญหาความยุ่งยากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ที่สงฆ์ต้องจัดการศาสรสางหรือดำเนินการทำให้สงบหรือเป็นไปด้วยดีธรรมะสำหรับระงับอธิกรณ์เจอย่าง 1. สัมสมุขวินันการระงับอธิกรณ์ในที่พร้อมหน้าคือบุคคลวัตถุธรรมธรรมในที่นี้คือธรรมะนะครับ สสติวินัยการระงับอธิกรณ์โดยยกให้ว่าพระอรหันต์เป็นผู้มีสติ 3. อมูลหะวินัยการระงับอธิกรณ์โดยยกประโยชน์ให้ในขณะเป็นบ้า 4. ปฏิญญาตการณะการระงับอธิกรณ์โดยถือตามคำรับของจำเลย หเยภุยาสิกาการระงับอธิกรณ์ด้วยถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ6ตัดสาปาปิยาสิกาการระงับอธิกรณ์ด้วยการลงโทษแก่ผู้ผิด7ตินวัถารกะการระงับอธิกรณ์ด้วยให้ประนีประนอมหรือเลิกแล้วกันไป